วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส0บมกราคมพุทธศักราช2569เป็นวันที่ท่านทั้งหลายท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่ธรรมผู้ยินดีในรถแห่งธรรมได้มาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความสุข สร้างความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจของตนทำที่จะมาฝากท่านในวันนี้ก็มีหัวข้อว่าทำเพื่อการอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอะไรคือทำเพื่อการอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทำที่จะทำให้เราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขคืออะไรก็คือพรหมวิหารสี่ได้แก่ 1. เมตตาสองกรุณาสา ม, มุดิตาสอุเบกขาทำทั้งสี่นี้มีชื่อว่าพรหมวิหารสี่พรหมวิหารแปลว่าที่อยู่ของพรหมหรือคุณสมบัติของพรหมผู้ใดก็ตามถ้ามีคุณสมบัติทั้งสีประการนี้คือมีความเมตตา การุณาโมนิตาอุเบขาจิตใจของท่านก็จะเป็นจิตของพรหมเป็นเหมือนของพรหมเป็นผู้ที่มีความสุขเป็นผู้ประเสริฐมีความร่มเย็ยนเป็นสุขดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรา <c oughs> อยู่อย่างร่มเย็ยนเป็นสุขเราก็ต้องสร้างพรหมวิหารสีนี้ขึ้นมา ให้มีอยู่ในใจของเราตลอดเวลาแล้วพรมิหารทั้งสีนี้คือเมตตาการุณาโมริตาอุเบกขาก็จะสร้างก็จะคอยสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่จิตใจถ้าเปรียบเทียบก็คือพรมิหารสีนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องปรับอากาศนี่เองปรับอากาศให้เย็นให้ใจของเราเย็นให้ใจของเราสบาย ไม่ทุกข์ร้อนไม่วุ่นวายใจเหมือนกับเรามีเครื่องปรับอากาศในช่วงฤ ด, ดูร้อนเวลาเกิดฤ ด, ดูร้อนขึ้นมาความร้อนมากเราก็เปิดเครื่องปรับอากาศปรับความเย็นให้เกิดความเย็นขึ้นมาดับความร้อนได้ฉันใดถ้าเรามีพรหมวิหารสี่เวลาที่ใจเราร้อนขึ้นมาเราก็จะสามารถใช้พรหมวิหารสี่ นี้มีันดับความร้อนของใจได้เราจึงควรที่จะปรับติดตั้งเครื่องปรับประกาศของใจคือพรมวิหารสีนี้ให้อยู่ในใจของเราพร้อมที่จะเปิดใช้ได้ทุกเวลาเมื่อมีความรุ่มร้อนของจิตใจเกิดขึ้นม า, าการเจริญพรมวิหารสีนี้ก็ต้องเจริญแยกกันากาเจริญเมตตาแยกกับเจริญ ุาแยกกับการเจริญมุนิตาแยกกับการเจริญอุเบคาเพราะว่าทมแต่ละชนิดนี้มีไว้สำหรับภาวะเหตุการณ์ที่แตกต่างกันเราไม่ได้ใช้พรหมวิหารสี่ทั้งทั้งสี่พร้อมกันไปหมด้นอยู่กับภาวะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะเกิดภาวะเหตุการณ์แบบไหนต้องใช้ธรรมแบบไหนมาเพื่อ ปรับใจของเราให้ใจของเรานั้นมีความสุขข้อที่หนึ่งคือความเมตตาความเมตตานี้แปลว่าความความปรารถนาดีความมีมิตรภาพ <S S <ม>การสร้างมิตรภาพคือไม่ไม่มีศัตรูกับใครถือว่าทุกคนนี้เป็นมิตรของเราเป็นเพื่อนของเรา พว้อมที่จะให้ความสุขกับเขา mm hmm. การให้ความเมตตาหรือการแผ่เมตตานี้ต้องกระทำด้วยการกระทำด้วยการปฏิบัติไม่ใช่ด้วยการสวดอย่างที่เราเข้าใจกัน mm hmm. เวลาที่เราสวด บ, บทแผ่เมตตานี้เป็นการเตือนใจเป็นการสอนใจให้รู้จักวิธีแผ่เมตตา เวลาเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมีการให้ความเมตตาต่อกันเราจะได้ให้ความเมตตาได้อย่างถูกต้องเพราะความเมตตานี้ก็มีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งก็คืออาเวลาโหนตุแปลว่าไม่จองเวรกันเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรเวรจะระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรเท่านั้น เวลาที่มีใครเขาทำอะไรให้เกิดความเสียหายกับเราไม่ว่าจะทางทรัพย์สินหรือทางร่างกายหรือทางจิตใจเราอย่าไปอาฆาตพยาบารอย่าไปจองเวรจองกรรมเพราะการอาฆาตพยาบารจองเวรจองกรรมจะสร้างความทุกข์รุ่มร้อนให้แก่จิตใจนั้นเองถ้าเราอยากจะให้ใจเราเย็นไม่รุ่มร้อนเราก็ต้องให้อภัย เวลาแปลว่าการไม่จองเวรการไม่จองเวรก็คือการให้อภัยยกโทษไม่ถือโทษโกรธเคืองกับบุคคลที่ทําให้เราเกิดความโกรธขึ้นมา น, นี้คือกรณีที่1ของการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่มีเหตุการณ์ที่ทําให้เราเกิดความโกรธแค้นอยากจะล้างแค้นอาฆาตพยาบาททาให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับ ถ้าเราใช้ความเมตตาให้อภัยเขามไม่ถือโทษโกรธเคืองกัน<ม>อะไรเกิดขึ้นแล้วก็แล้วกันไป<ม>แก้วมันแตกแล้วจะไปเอาแก้วกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมไม่ได้<ม><ม>ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามก็ต้องมีอะไรที่จะต้องเกิดความเสียหายบ้างไม่มากก็น้อยแต่การมาอาฆาตพยาบาทกันนี้ เป็นการมาเพิ่มความทุกข์ให้ต่อกันและกันเพราะถ้าเราไปทำร้ายเขาเดี๋ยวเขาก็กลับมาทำร้ายเราอตอนต้นเขาอาจจะด่าเราพขด่าเราแล้วเราก็เลยไปทําร้ายเขาเขาทำร้ายเขาเขาก็จะกลับมาฆ่าเราก็ได้แต่ถ้าเราให้ไปปล่อยให้มันผ่านไปไม่ถือโทษก่อนเครืงกันรักษาความเป็นมิตรกันไว้ดีกว่า มีมิตรดีกวมีศัตรูมีศัตรูนี้จะทำให้เราอยู่กันยากลาบากถ้ามีมิตรแล้วก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายอ่านี่คือข้อที่1ของความเมตตาต้องแผ่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ไม่ใช่แผ่ตอนที่เรานั่งไหว้พระสวดมนต์แล้วสวดบทแผ่เมตตาการสวนนี้เป็นการเรียนรู้และเป็นการตอกย้ำการแผ่เมตตาว่าจะต้องแผ่อย่างไร น, นี่คือข้อที่หนึ่งของการแผ่เมตตาคือการไม่จองเวรกันอเวลาหนนตุด้วยการให้อภัยกันข้อที่สองก็คืออัปยาป ช, ชาหนนตุไม่เบียดเบียนกันไม่ทำอะไรที่จะทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้นเราอยู่ร่วมกันในสังคมเราต้องเคารพสิทธิประโยชน์ของผู้นเราอย่าไปทำร้ายสิทธิประโยชน์ของผู้นเขา ถึงแม้เราอาจจะไม่มีเจตนาก็ตามแต่ถ้าทําแล้วไปทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนถ้าเรารู้เราก็ควรที่จะหยุดเสียอย่าไปทําเสียเพราะการไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนนี่ทำให้ผู้อื่นเขาโกรธแค้นได้แล้วอาจจะไปทําให้เขามีความมาฆาาพยาบาทกับเราได้แล้วเราจะอยู่กันไม่อย่างอยู่ไม่เป็นสุขกันต้องหวาดระแวงกันว่าเขาจะร้างแค้นเราจะทำร้ายเราเมื่อไหร่ แต่ถ้าเราไม่ได้ไปทาให้ใครเสียหายเดือดร้อน<ม>ก็จะไม่มีใครคิดที่จะมาล้างแค้นมาทําร้ายเหล่านั้นเองอันอนปยาปชาหุนตุคืออย่าทําอะไรให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อน<ม>ด้วยทางตรงหรทางอ้อมก็าตามทําอะไรต้องคํานึงถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้อื่นได้นี่คือข้อที่สองคืออัปยาปชาหุนตุ ไม่เบียดเบียนกันข้อที่สามก็คืออนิคาหโหตุแ่ลว่าไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกัน เ, ออเราอย่าไปเวลาเราโกรธแค้นโกรธเคืองขึ้นมาหรือเราคึกขนองอาจจะไปกันแกล้งเขาเออไปทำให้เขาไปทำร้ายร่างกายเขาเออหรือไปทำร้ายจิตใจของเขาเ อ, อ, อย่างสมัยนี้เรามีคำว่าบูลลีนะ่ในทาง อินเทอร์เน็ตก็มักจะมีการรูลี่กันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําร้ายจิตใจของกันไม่ควรที่จะกระทําถ้าเป็นมิตรกันเราต้องเคารพกันต้องรักกันไม่ใช่กันแกล้งกันไม่ใช่ดูถูกดูแคลนกันการกระทําเหล่านี้เป็นการสร้างศัตรูสร้างความทุกข์ให้กับเราเพราะเมื่อเราไปทําให้เขาโกรธทําให้เขาเสียใจเขาก็อยากจะตอบแทนเราเช่นเดียวกัน ให้สิ่งได้กับเขาสิ่งนั้นก็จะกลับมาหาเราให้ทุกข์กับเขาทุกข์ก็จะกลับมาหาเราให้สุขกับเขาสุขก็จะกลับมาหาเราด mm hmm. งนั้นอย่าไปกระทำอะไรที่ทำให้เขาเกิดความเจ็บช้าน้ำใจหรือเจ็บทางร่างกาย mm hmm. เรียกว่า mm hmm. อานีคาโหตุไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันและข้อที่สี่ของความเมตตก็คือ ให้ความสุขต่อกันสุขีอัตานานง้าลิหรันตุเช่นในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือคริสต์มานี้เราก็ให้ความสุขแก่กันส่งความสุขให้กับกันบางคนก็ส่งซ้อขออบางคนก็ส่งของขวัญ น, นี่แหละคือการให้ความสุขแต่เราไม่ควรที่จะให้ความสุขแต่เฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้นถ้าเป็นไปได้เราควรจะให้ความสุขทุกวันเลย เพราะการให้ความสุขนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้ด้วยสิ่งของหรือเงินทองเพียงอย่างเดียวเพียงแต่รอยยิ้มนี้ก็ให้ความสุขกับผู้อื่นได้เวลาพบปะกันก็ทักทายกันสวัสดีกันส่งรอยยิ้มให้กับกันอันนี้ก็จะทำให้ผู้อื่นเขามีความรู้สึกมีความสุขขึ้นมาอย่าทาหน้าเบื่อตึงอย่าทาหน้ากโกรธเกลียดอันนี้ไม่ได้เป็นการส่งความสุข ส่งความสุขแล้วพบปะ ก, กันก็ต้องยิ้มให้กันทักทายกันถามสาระทุกข์สุขดิบกันแล้วถ้ามีอะไรของฝากไปเที่ยวไหนมาไปซื้อของแปลกๆมาก็เอามาแบ่งปันกันเอามาแจากให้กันก็จะทาให้ผู้ที่ได้รับนั้นเ้ามีความสุขแล้วเขาก็จะไม่คิดร้ายกับเราเขาจะคิดดีกับเราและดีไม่ดีก็าอาจจะปกป้องรักษาป้องกันเราด้วยซ้าไป ถ้าเกิดมีภัยเกิดขึ้นกับเราขึ้นมาให้ความสุขแก่ท่านสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราอันนี้คือวิธีที่สี่ของการแผ่เมตตาก็คือให้แผ่ด้วยการให้ความสุขแก่ผู้นั้นถ้าเราไม่มีข้าวของเงินทองที่จะให้ก็ให้อย่างอื่นก็ได้ให้วิชาความรู้ก็ได้บางทีเขามีปัญหา เราอยากจะถามเกี่ยวกับวิชาอะไรอย่างไรอย่างหนึ่งถ้าเรามีความรู้เราก็บอกเขาไปให้ความรู้กับเขาก็ได้หรือถ้าเขามีความทุกข์ใจเราเข้าวัดอยู่เรื่อยเื่อเรารู้จักปัญหาวิธีแก้ความทุกข์ใจว่าจะแก้อย่างไรแล้วก็บอกเขาไปก็ได้ถ้าเขามาปรึกษาก็าจะช่วยให้เขาได้ดับความทุกข์ที่มีในใจของเขาได้แล้ว พอความทุกข์หายไปความสุขใจก็จะกลับคืนขึ้นมาได้อั น, นี่คือการให้ความสุขต่อกันสีวิธีของการให้ของการแสดงความเมตตาคืออเวลาหหนตุไม่จองเวรกันอัปปายาชาหหนตุไม่เบียดเบียนกันอานิฆาหหนตุไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกันสุขีอาตานังปาลิหารันตุให้ความสุขต่อกัน ถ้าเราสามารถกระทา ส, ส, สิ่งนี้ได้เราจะรับได้รับอนิสงค์ของการแผ่เมตตาหลายประการด้วยกันเช่นข้อที่หนึ่งเราจะอยู่อย่างเป็นสุขเ<อ>ดินก็สุขหลับก็สุขอสองนอนหลับไม่ฝันร้ายมีแต่จะฝันดี<อ>สามจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสี่จะมีเทวดาคุ้มครองรักษา จะไม่ได้ตายด้วยอาวุธหรือยอาพิษเพราะเราไม่มีศัตรูเราไม่เป็นศัตรูกับใครเรามีแต่มิตรมิตรจะไม่คิดทำร้ายใครไม่ไม่คิดทำร้ายกันถ้าเราทำร้ายเขาเราไม่มีความเมตตาโหดร้ายทารุณเราก็อาจจะถูกเขาจองเวรจองกรรมมาทาร้ายเราได้แต่ถ้าเรามีแต่การให้ความเมตตากับเขาให้ความสุขกับเขาเขาก็จะไม่คิดที่จะทำร้ายเรา เราก็จะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษต่างๆ ม, มีเทวดาคุ้มครองรักษาอันนี้เมื่อกี้คงจะพูดไปแล้ว mm hmm. ไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษ mm hmm. แล้วก็เวลาจะทำจิตใจให้สงบเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบง่าย mm hmm. แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเวลาตายก็จะไม่หลง จะไม่หลงลืมไม่หลงลอะไรจะมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าตายไปก็จะไปสู่สุคติถ้าไม่ได้ไปสู่ธรรมที่สูงกว่านั้นอย่างน้อยก็ต้องได้ไปสุคติคือได้ไปเกิดเป็นเทวดานั่นเองแต่ถ้าได้ประพติธรรมที่สูงกว่าเช่นถ้านั่งสมาธิได้เข้าฌานได้ก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมไปเป็นพรหม แล้วถ้ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้นนี่คือประโยชน์สุขที่เกิดจากการแผ่เมตตาให้ความเมตตากับผู้และต้องทำด้วยการกระทำไม่ได้ทำด้วยการสวดด้วยการแผ่แต่การสวดการแผ่ก็เป็นการศึกษาเป็นการตอกย้ำ ให้เรารู้ว่าวิธีการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่อย่างไรหรือจะใช้เป็นวิธีการยรอนสติภาวนาก็ได้สวด บ, บทบทแผ่เมตตาไปก็สามารถทำใจให้เราสงบให้เรามีความสุขได้อันนี้คือประโยชน์ของการแผ่เมตตาของเป็นธรรมข้อที่หนึ่งของพร ม, มิหารสี่ที่เราสามารถใช้ได้ตาม ตามสภาว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ, ๆที่อาจจะเกิดขึ้นในในแต่ละวันของชีวิตเรา mm hmm. ถ้าเรามีเมตตาเราใจเราจะเย็นใจเราจะสุขใจเราจะสบาย mm hmm. ข้อที่สองคือความการุณาความการุณานี้แปลว่าความสงสารขอสงสารความตกทุกข์ได้ยากของผู้ mm hmm. โรคเหล่านี้มีคนหลากหลายชนิดด้วยกันฐานะต่างกัน บางคนก็ฐานะดีร่ำรวยบางคนก็ฐานะป า, านกลางบางคนก็ฐานะยากจนทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เกิดจากเรื่องของกรรมที่เราแต่ละคนทำมาในอดีตนั่นเองจึง ท, ทำให้เรามาเกิดไม่เท่ากันไม่เหมือนกันดังนั้นการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความเป็นสุขเนี่ยคนที่มีมากก็ควรที่จะคิดถึงคนที่เขามีน้อยคนที่เขาทุกขยากเดือดร้อนพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือไปตามอัตภาพ แต่การช่วยเหลือนี้เป็นการช่วยเหลือแบบไม่มีเป็นการช่วยเหลือแบบมีเหตุมีผลมีกรอบค<ม>ือเราจะไม่ช่วยให้เขาต้องมาพึ่งเราตลอดเวลา<ม>เราจะช่วยเขาในยามที่เขาเดือดร้อนช่วยเหลือตัวเขาเองไม่ได้เราก็ช่วยเหลือช่วยเหลือเขาไปตามภาวะเหตุการณ์เช่นเวลามีภัยต่างๆมีน้ำท่วม เราก็ช่วยกันส่งข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยอะต่างๆไปเวลามีเหตุการณ์ต่อสู้กันก็ส่งสบียงส่งอะไรไปสนับสนุนอันนี้เป็นการช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนเพราะคนเราทุกคนเกิดมานี้ไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้เราอาจจะร่ําจะรวยอาจจะมีฐานะดีแต่วันพวกนี้เราอาจจะตกยากยากจนก็ได้ ไม่มีใครรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมว่ามันจะปรากฏผลขึ้นมาได้เมื่อไหร่เวลามันจะเกิดขึ้นมามันอาจจะพลิกชีวิตของเราจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้จากร่ำรวยกลายเป็นยากจนก็ได้หรือจากยากจนกลายเป็นร่ำรวยก็ได้แต่ทั้งแต่สิ่งที่เราควรจะทำถ้าเรามีพอที่จะช่วยเหลือใครได้ถ้าเห็นเขาเดือดร้อนจริงๆเราก็ช่วยในส่วนที่ก็เดือดร้อน คือช่วยแล้วช่วยเรื่องปัจจัยสี่เป็นหลักถ้าเขาไม่มีอาหารก็หาให้อาหารเขาไปไม่มีเครื่องนุ่หผมไม่มียารักษาโรคอะไรทํานองนี้ไม่มีที่อยู่อาศัยก็หาที่อยู่อาศัยให้เขาเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนแต่ช่วยแบบชัวช่วครัง้งชั่วคราวไม่ได้ช่วยแบบยั่งยืนถาวรช่วยแบบให้เขาพอช่วยตัวเองได้ พอ เ, เขาช่วยตัวเองเขาได้แล้วก็ต้องต้อ ง, องหยุดการให้ความช่วยเลย mm hmm. หรือช่วยหรือให้เขาช่วยตัวเขาเองได้เช mm hmm. ่นมีสุภาษิต ท, ที่กล่าวไว้ว่าอย่าให้ปลาเขาไป mm hmm. ให้สอนวิธีจับปลาให้กับเขา mm hmm. ให้เขาไปหาปลาเอง mm hmm. ถ้าเขาหาปลาเป็นแล้วเขาสามารถหาได้ของเขาเองทุกวัน mm hmm. ไม่ต้องมาขอปลาจากเรากิมทุกวัน ถ้าเราให้ปลาเขาไปกินเดี๋ยวพวกนี้ปลาหมดเขาก็กลับมาขอเราใหม่ เ, เวลาที่จะช่วยเหลือใครนี้ต้องช่วยแบบให้เกิดคุณประโยชน์กับเขาอย่าไปช่วยแล้วทำให้เกิดเป็นความทุกข์กับเขาแล้วก็เป็นความทุกข์กับเราช่วยแบบไม่ให้เขาช่วยตัวเองต้องช่วยแบบให้เขาสามารถลุกขึ้นมาแล้วสามารถทำอะไรช่วยตัวเขาเองได้ถ้าเขาล้มล้วก็ช่วยขยุงเขาขึ้นมาให้เขาเดินได้ พอเขาเดินได้ก็ปล่อยให้เขาเดินของเขาเองเราอยากไปแบกไปหามเขาตลอดชีวิตอันนั้นไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือที่ถูกต้องการช่วยเหลือที่ถูกต้องก็ช่วยในภาวะที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ในในเรื่องของปัจจัยสี่เป็นหลักถ้าเป็นเรื่องอื่นถ้ามีหนี้สินมีอะไรนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเราจะไปแบกหนี้สินของคนอื่นไม่ได้ตลอด เพราะถ้าเราช่วยเขาวันนี้แล้ว เ, เดี๋ยวพวกนี้เขาก็ไปก่อห น, นี้ใหม่เขาก็จะก่ออยู่เรื่อยๆเพราะเขารู้ว่าเมื่อมีหนี้แล้วก็จะมีคนมามาถ่ายหนี้ให้เขาก็จะไม่เลิกก่ อ, อสร้างหนี้กันขึ้นมาเพระฉนั้นถ้าเราอยากจะช่วยเขา้างอยากช่วยเพียงครั้งเดียววะจะช่วยครั้งนี้ครั้งเดียวนะครั้งหน้าไม่มีแล้วนะนพอเขาจะมีหนี้สินมาให้ช่วยใหม่แล้วก็บอกไม่มีแล้วหมดแล้วเพื่อที่เราจะได้ไม่รู้สึกทุกข์ใจใน กับการที่เราไม่ได้ช่วยเหลือเขาบางทีเราอยากจะช่วยแต่ช่วยแล้วมันมันไม่เป็นประโยชน์มันเป็นโทษทั้งกับคนที่มาขอความช่วยเหลือทั้งกับตัวเราเองถ้าช่วยแบบนี้ก็ต้องยุติอย่าไปช่วยต้องรู้จักขอบเขตของการช่วยเหลือกันนี้คือความการุณาช่วยบรรเทาทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้ตามกาลังของเรา ถ้าเราอยู่ในฐานะที่เราช่วยอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องใช้ทำข้อที่สี่คืออุเบกขาเราก็ต้องทำใจวางเฉยอย่าไปเสียใจอย่าไปทุกข์ใจกับการที่เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เพราะบางทีมันก็เป็นเรื่องของสุดวิสัยเป็นเรื่องของบุญของกรรมไปก็ใช้หลักของอุเบกขาอุเบกขาก็ให้มองว่าทุกคนเกิดมาแล้วย่อมมีกรรมเป็นของของตน จะทำกรรมวันใดไว้ดีหรือชั่ อ, อก็จะต้องเป็นผู้ไปรับผลของกรรมนั้นเราจะไม่สามารถที่จะไปยับยั้งกรรมของเขาได้เราก็ต้องทำใจให้เฉยอย่าไปทุกข์อย่าไปเสียใจเพราะมันจะมาทำร้ายตัวเราเองให้เราทุกข์ให้เราเสียใจอัออ น, นี่คือการช่วยเหลือกันด้วยความการุณนาสงสารการุณาแปลว่าความสงสาร อย่างพระพุทธเจ้านี้ก็มีความสงสารพวกเราที่ยังต้องติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่พระพุทธเจ้าก็มาช่วยเราช่วยด้วยการสั่งสอนวิธีที่จะทําให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะไม่มีใครที่จะรู้จากวิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวถ้าพระพุทธเจ้าไม่นำธรรมที่ได้ทรงตัดสั้นมาเผยแผ่สั่งสอน ก็จะไม่มีใครสามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่พอพระเจ้ามาทรงแสดงธรรมให้กับผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพอเขาได้เรียนรู้แล้วนำอาไปปฏิบัติขเขาก็สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของเขาได้แล้วเขาก็จะสามารถเอาความรู้ที่เขาได้เรียนรู้ได้ปฏิบัตินี้ไปเผยแผ่ให้กับผู้อีกทอดหนึ่งต่อไปด้วย นี่แหะคือวิธีการช่วยที่ถูกกลับช่วยให้เขารู้จักช่วยตัวเขาเองช่วยให้เขาหลุดพ้นด้วยการสอนเขาแต่เราจะไม่ไปแบกเขาไม่ไปคอยแก้ปัญหาความทุกข์ใจของเขาอยู่เรื่อยๆถ้าเขาไม่รู้จักวิธีแก้เองเราไปแก้เขาเขาก็จะไม่รู้จักแก้อยู่นั่นต้องให้เขาไปศึกษาวิธีแก้แล้วนํามาไปปฏิบัติแก้ให้ได้พอแก้ได้แล้วเขาก็จะเป็นที่พึ่งของเขาเองและเป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไป อันนี้คือข้อที่สองกรุณาความสงสารข้อที่สามก็คือมุนิตาคือความชื่นชมยินดีกับความสุขความเจริญของผู้อื่นถ้ามีใครที่เรารู้จักเขาได้ได้ดีได้ดีได้ความสุขในรูปแบบต่างๆอาจจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอาจจะได้แฟนได้แต่งงานกับคนที่เขารักเขาชอบถึงแม้ว่า เป็นแฟนของเราแต่แฟนของเราเขาตัดสินใจเลือกอเลือกคนอื่นไปเราก็อยากไปอิจฉาอยากไปโกรธเราก็ต้องแสดงความยินดีมุ่ทิตาถือว่ามันไม่ใช่เป็นเป็นบุญของเราก็แล้วกันหรือไม่ใช่เป็นคู่ของเราเราอาจจะไม่ได้ทําบุญร่วมกันมาเขาก็เลยไม่เลือกเราเป็นแฟนเขากลับไปเลือกเพื่อนเราเป็นแฟนก็ต้องแสดงความยินดีกับเขาทั้งคู่ขอให้เขามีความสุขความเจริญกันแล้วใจเราก็จะมีความสุขด้วย ถ้าเราไม่มีมุติตาเราอิจฉาริษยาเราโกรธแค้นโกรธเรียงเราก็จะสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองนอาจจะสร้างความอาฆาตพยาบาทอาจจะไปคอยขัดขวางกันไปกันแกล้งเขาไม่ให้เขามีความสุขกันก็ได้การกระทําแบบนี้ไม่ควรทําควรจะชื่นชมยินดีกับความสุขความเจริญของผู้ใหญ่อิจฉาริษยาเราทำอิจฉาริษยานี้เป็น การทำร้ายผู้และการทำร้ายตัวเรานั่นเองอันนี้ก็คือข้อที่สามูดิตาถ้ารู้จักกันใครได้ดีได้ดีได้สุขได้เจริญในรูปแบบใดก็ตามก็ควรที่จะแสดงความยินดีกับเขารักษาความเป็นมิตรไว้ดีกว่าดีกว่าเสียมิตรเพราะเพราะเรื่องของการอิจฉาริษยาไม่ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีมิตรไว้ดีกว่า บนวันข้างหน้าเราอาจจะต้องการความร่วมมือกันต้องการความช่วยเหลือกันก็จะสามารถทำได้อย่างสะดวกง่ายได้แต่ถ้าเป็นศัตรูกันแล้วก็ยากเวลาที่จะต้องร่วมไม้่วมมือทำอะไรกันนี่ น, นี่คือข้อที่สามคือมุติตาให้ความชื่นชมยินดีแสดงความยินดีกับความสุขความเจริญของผู้และข้อที่สี่ก็คืออเบคาอเบคาก็แปลว่าการต้องวางเฉย เวลาที่เราเจอสภาพที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เช่นคนที่เรารักเขาเป็นโรคมะเร็งเราอยากจะให้เขาหายพยายามรักษาช่วยเขาเท่าไหร่มันก็ไม่หายมีแต่หมอบอกว่าจะต้องตายนเราก็ต้องทำใจเพราะเราก็ช่วยอะไรไม่ได้อยากให้เขาไม่หายอยากให้เขาไม่ตายมันก็จะทาให้เราทุกข์ใจไปๆเราก็ต้องใช้กฎแห่งกรรมนี้มาสอนใจเรา ว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้มีบุญมีบาปมาไม่เท่ากันมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันบางคนก็อายุยืนบางคนก็อายุสั้นบางคนก็มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เรื่อยๆบางคนก็ไม่ค่อยมีโครคภัยไข้เจ็บก็ต้องยกให้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมไปถ้าเรา ถ้าเรายอมรับกฎแห่งกรรมแล้วใจเราก็จะได้สงบใจเราก็จะมีอุเบกขาไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจกับความทุกข์เหลือนร้อนของผู้อื่นที่เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้นั่นเองนี่คือการการสร้างเครื่องปรับอากาศให้กับใจปรับว่าปรับใจเราให้เย็นให้เราเย็นมีความสุขทา่ามกลางเหตุการณ์ที่วุ่นวายที่ต่างๆที่อาจจะเราที่เราอาจจะต้องไปพบไปเจอขึ้นมา ถ้าเรามีเมตตามีกรุณามีมุนสิตา <c oughs> มีโอเบคาแล้วใจเราก็จะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะเราสามารถปรับใจของเราให้รับกับเหตุการณ์ได้ถ้ามีการความเสียหายหเดือดร้อนก็ให้อภัยทําอะไรก็ระมัดระวังอย่าไปทําให้คนอื่นเขาเสียหายหเดือดร้อนเวลาโกรธใครก็อย่าไปทําร้ายร่างกายและจิตใจกันหรือคึกขนอง แ้วถ้ามีอะไรที่เราให้ความสุขกับเขาได้ก็แบ่งปันกันไปถ้าเขาทุกข์ยากเดือดร้อนช่วยเหลือได้ตามตามเหตุตามผลก็ช่วยเหลือกันไปถ้าเขาได้ดีได้ดีก็สแสดงความยินดีชื่นชมกับความความสุขความเจริญของเขาถ้าช่วยอะไรไม่ได้อยู่ในภาวะที่ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องใช้อุเบกขาแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่ไม่เสียใจ ใจเราก็จะตั้งอยู่ในความสงบนี่แหละคือเครื่องปรับรากาศของใจหรือธรรม ท, ที่ที่มีไว้เพื่อให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าเรามีเมตตากรรมนาโมนิต า, า, ตาอุเบกขาอยู่ในใจของเราแล้วรับประกันได้ว่าใจของเรานี้จะไม่มีความทุกข์ใจของเราจะมีแต่ความสุขไปตลอดนี่ก็คือเรื่องของภมวิหารสี่ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้เพราะลำดับต่อไปเราก็จะมาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะธรรมที่เราควรที่จะสร้างขึ้นมาก็คืออุเบกขานี่อง <c oughs> การนั่งสมาธินี่แหละเป็นการสร้างอุเบกขาขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราสามารถทําใจให้นิ่ง <c oughs> ให้สงบได้แล้วอุเบกขาก็จะปรากฏขึ้นมาในใจของเรา <c oughs> แล้วพอเรามีอุเบกขาแล้วเราก็จะสามารถที่จะ ปล่อยวางอะไรต่างๆได้ในสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถทําได้ไม่ต้องไม่ทุกข์วุ่นวายกับอะไรที่เราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แต่เราก็จะนิ่งจะเฉยจะสงบ mm hmm. นี่คืออั น, นิี้สมมติการนั่งสมาธิก็คือให้เกิดอุบเบกขาขึ้นมาในใจนี่ <c oughs> การนั่งสมาธินี่นั่งเพื่อให้ใจนิ่งให้สงบไม่ต้องการเห็นอะไรไม่ต้องการรู้อะไรเป็นการนั่งคนละแบบกับนั่งวิปัสสนา วิปัสสนาน h i เป้าหมายคือการให้รู้อริยสัจสี่ 4, ให้รู้อานิจจังทุกขังอนัตตาแต่ก่อนที่จะไปสู่การนั่งวิปัสส น, นาได้ต้องผ่านการนั่งสมถะภาวนาก่อนคือการนั่งสมาธิก่อนเพราะสมาธิเป็นกําลังที่จะไปช่วยปัญญาดับกิเลสดับความทุกข์ต่างๆถ้าไม่มีสมาธิถึงแม้มีปัญญาก็ไม่สามารถดับกิเลสดับความทุกข์ได้เพราะไม่มีกําลัง ต้องมีกำลังของสมาธิเป็นผู้สนับสนุนจึงจะเป็นที่จะต้องสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนสมาธิก็คือความนิ่งความสงบของใจใจต้องหยุดคิดปรุงแต่งใจถึงจะนิ่งได้ว <c oughs> ิธีที่จะทาให้ใจไม่คิดปรุงแต่งก็คือต้องมีสติกากับใจให้อยู่กับอารมณ์ที่จะผูกใจให้สงบไม่ให้ใจคิดอารมณ์ที่ทำให้ใจนิ่งสงบเรียกว่ากรรมาฐาน กรรมฐานก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันที่เราจะสามารถเลือกใช้ได้วิธีที่เราใช้กันในในกลุ่มของเหล่านี้ก็คือการใช้อานาปนานสติคือการดูลมหายใจเข้าออกหรือการใช้คําบริกรรมพุทธโธพุทธโธเรียกว่าพุทธานุสติเวลานั่งสมาธิเราควรที่จะมีสติกํากับใจให้อยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งถ้าดูลมได้ก็ดูลมไป ถ้าบริกรรมพุโทโธได้ก็บริกรรมพุโทโธไป <c oughs> ถ้าตอนเริ่มนั่งยังไม่สามารถดูลมหรือบริกรรมพุโทโธได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้เพอบางทีใจคิดมากมีเรื่องฟุ้งอยู่ในใจไม่สามารถดูลมได้ไม่สามารถบริกรรมพุโทโธได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปภายในใจก่อนอทนําในท่าท่านั่งสมาธินี่แหละแล้วสวดมนต์สวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียง แล้วสวดบนไหนก็ได้ส่วนสั้นยาวก็ได้ก็ <c oughs> สําคัญส่วนยังมีสติอย่าสวดไปแล้วคิดไปให้อยู่กับการสวดเพอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวความคิดก็จะเบาลงเบาลงแล้วสติก็จะมีกําลังมากขึ้นก็จะสามารถเปลี่ยนมาดูลมต่อไปได้หรือบริกรรมพุทโธได้บางท่านอาจจะดูลมที่เน่าออ ก, ก็เรียกว่ายุบหนอพองหนอ เวลาลมเข้าหน้า อ, อกก็พองขึ้นมาเวลาลมออกหน้า อ, อกก็ยุบลงไปจะดูที่หน้า อ, อกก็ได้เรียกว่ายุบหนอพองหนอจะดูที่ปลายจมูกก็ได้เรียกว่าอานาปานสติให้รู้อยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่ตรงนั้นตรงที่ปลายจมกูกตรงที่ลมเข้าลมออกลมจะสัมผัสอยู่แถวเวณปลายจมกูกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมา ไม่ต้องบังคับให้ลมหายใจเลือกหายใจสั้นปล่อยให้ใจใหาให้ลมหายใจตามปกติของเขา mm hmm. เราเพียงแต่ใช้ลมเป็นเครื่องผูกใจเป็นกรรมฐานเป็นเครื่องผูกใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆเท่านั้นเองและเวลานั่งถ้ามีอะไรปรากฏโผล่ขึ้นมาก็อย่าไปสนใจสิ่งต่างๆที่ปรากฏนี้เราไม่ต้องการจะรู้เพราะว่าถ้าเราไปสนใจเราก็จะเสียสมาธิเราจะเข้าสมาธิไม่ได้ อะไรปรากฏขึ้นมาจะเป็นภาพก็ดีเป็นเสียงก็ดีเป็นรูปอะไรก็ดีเป็นความรู้สึกอะไรก็ดีทางนั่งกายเจ็บตรงนั้นปวดตอนนี้ก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานไปปูกใจให้อยู่กับกรรมฐานอย่างต่อเนื่องแล้วไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าไม่อยู่กับกรรมฐานนั่งไปเป็นชั่วโมงก็ไม่สงบพออยู่กับกรรมฐานได้สักระยะหนึ่งมันก็จะนิ่งสงบแล้วก็รู้สึกเบาสบาย ไม่ต้องไม่ต้องกำ บ, บังบังคับไม่ต้องใช้กรรมาฐานก็ได้อาจจะให้รู้อยู่เฉยๆก็ได้ตอนนั้นจิตกจ็จะว่างจะเย็นจะสงบจะสบายจะมีความรู้สึกมาสะจะใจกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แล้วใจก็จะเป็นอุเบกขาวางเฉยได้ถึงแม้อาจจะได้ยินเสียงถึงแม้อาจจะมีความรู้สึกกับร่างกายว่าเจ็บตรงนั้นปวดอันนี้แต่ใจจะไม่เดือดร้อนใจจะรู้สึกเฉยๆนี่แหละคือผลของการนั่งสมาธิที่เราต้องการ ดังนั้นต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันด้วยการเจริญสติกํากับใจให้อยู่กับกรรมาฐานใดกรรมาฐานหนึ่งที่ถูกเจริตกับเราจะใช้กรรมาฐานอย่างอื่นก็ได้ถ้าเราเคยไปเรียนจากสำนักอื่นขอให้ใช้สัมมาอหลังให้ใช้ลูกแก้วหรือใช้อะไรก็ตามถ้าใช้แล้วมันทําให้ใจเราสงบได้ก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ได้บังคับว่าจะต้องใช้แบบใดแบบหนึ่งแล้วแต่เจริตนิสัยของแต่ละคนแล้วต่อไปนี้เราก็จะนั่งกัน ประมาณยี่สิบสี่นาทีด้วยกันตอนนี้เวลาสําหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกโปรดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วเป็นอย่างไรบ้างสงบหรือไม่สงบถ้าสงบก็ให้จดจําวิธีนั่งของวันนี้ไว้เวลานั่งคราวหน้าก็จะใช้วิธีนี้ต่อได้เลยจิตก็จะสงบเหมือนวันนี้ อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบจะไม่ทําให้มันสงบถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีกําลังน้อยหมัอนจเจริญสติอยู่เรื่อยๆในระหว่างวันเราสามารถจเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับจะใช้คําบริกีรมพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือจะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปก็ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดแล้วคราวหน้าเวลามานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายขึ้น แล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปรลิปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกบปติยุจีตังปะทีตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตูสังกปา จันโทปนาระโสยธามณะโชติระโสยธาสัพพติยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาทานาสิริสะนิตจังวุฒาปจายโนยะตาโรธรรมาวทานติ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 ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง Facebook 262 YouTube พัชสุชาติไลฟ์สองร้ u ยแปดดร V16 วิทยุออนไลน์5้าคลับเ์สาากุติ1้7รวม746้อส่ค่ ะ, ะมีใครอยากจะถามก่อนไหมถกไป ไปตู้ได้ตรงที่มันนะครับขอไอตรงเท้ากลมๆครับขอเรียน เ, เรียนถามพระอาจารย์นะครับเ อ, อบางครั้งนั่งสมาธิโดยดูลมหายใจบางบางโอกาสรู้สึกเหมือนอึดอัดแล้วก็หายใจไม่อิ่มแต่เป็นบางครั้ง ไม่ทราบว่าพระอาจารย์มีแนวทางแก้ไขยังไงสติยังไม่กำลังน้อยก็ให้สวดมนต์แทนไปก่อนสวดมนต์ใจก็ต้างรู้สึกใจเบาสบายแล้วก็กลับมาดูลมใหม่อันนั้นสติยังมีไม่มากพอจิตมันอยากจะไปคิดเรื่องอื่นมันก็เลยรู้สึกอึอ ด, อดัดใกล้ๆมันคิดได้บทสวดมนต์ไปแทนสวดอัหาสัมมาสวัสขาโตหรือสวดบทไหนก็ได้สวดไปเรื่อๆยๆจนกว่าจะรู้สึกสบายถ้า ล, ลองกลับมาดูลมใหม่ we would like ask some questions. Thank you. Yes. s e go ahead. First, a question about the practice is uh, about 12 years ago. I used to be able to practice samatha quite well uh, at some times, and. Uh, I was able to achieve very still and awake states, yes. mm -hmm. um, but life got much busier, and ah. I find it very difficult now. Mm -hmm. But sometimes I can remember what it felt like to be very still and very awake, and I want to know: How is it, it okay to take a short, try to take a shortcut, and just? Try to make the mind still and awake, remembering what it was like, or do I have to try to continue to pass the whole process of breathing and budo and slowly getting brighter? And do I have to go through the whole process? Because yes. I find the process so difficult now because my yes. mind is much more busy yes. and life is more. You need to go through the process again. You have to go through the whole. If you could just think and keep your mind calm, that's okay too. You can do it, but I doubt it. Yeah, you have to. Create the cause that will produce the result. If you just think about the result, it won't come up. You have to create the cause that produces the result, which is being mindful of Buddha or being mindful of your breathing. You have to be patient. Okay. This is something you have to keep practicing and continue to practice without stopping. Once you start to stop, then you're Your ability to focus will become less and less, and then the result will become less and less, and eventually it will disappear. Mm. So you need to maintain the momentum. Once you have developed mindfulness, you have to stick with developing it, maintaining it at least yeah. at the same level. And if you want to go deeper and more calmer, you have to spend more time developing mindfulness. There's just no two ways about it. <laughs> <laughs> ways? So I, I noticed that when I when I start to feel calm, I like it, and then get a little bit excited, and my mind jumps up and it won't. You, you lost your focus. Lost you, my focus. Yeah, you should continue with your focus. Mm -hmm. Don't be don't pay attention to the result. Ah, okay. If you want to go deeper and, or maintain or keeping it, once you stop. Focusing, then your mind will start to think, and when you start to think, then the calm will gradually disappear. i s s Okay. The goal is to stop, to stop thinking, and not paying attention to anything except your meditation object only. Okay. So keep doing it. Just... Okay. Patient. It takes time. It doesn't take yeah. something like an instant, quick. You know. Yeah, push the button and you get it. That's not the way with meditation. Meditation takes a long time to develop mindfulness, and take a long time to sit and meditate before it can show the result. Okay. Okay. Anything else? Yes. Thank you. Um. So, just to be more specific, a little bit, sometimes like. On the out breath, it's going out, getting more peaceful, and feels like ah, maybe it can stop. But I feel like I just want to push it a little bit to stop, and that is completely wrong, oh right? Wow. I should just stay with the breath, whatever happens. Uh, i u should be inactive. You should just be merely watching. Got it. Thank you, a h a n Okay. Um, my okay. Yes. Okay, ahead. Uh, just one more question is not about the practice, but I would like to bring. Um, 20 Canadian friends or 21 Canadian friends who are interested in Dharma to come and listen. Yes. And I want to know, is it possible for you to speak in English to them? Uh, just like today. A little today. bit of a talk, just like today. Yeah, I, I'm only available on Saturday, Sunday, Sunday. and holiday. So Sunday. Uh, any any uh, any of these days, you can come, just like today. After we finish meditating, listening to d h a m m a talk. And we can have some discussion in English or in Thai, whatever. So, th will they need to prepare some questions for you, and then, or it's you can them. give it's a up. talk a it's little bit? With, them. But you can provide some d h a m m a in English for them. And, okay. Yes, that's great. So, February first, then okay. I'm going to bring some friends. Yeah. Okay, it's up to you to come or not to come. Doesn't matter. <laughs> okay, <laughs> thank okay. you. Let's คําถามฝากถามจากหน้ากุติค่ะถ้าหากโดนบังคับมาปฏิบัติธรรมแต่พอทําไปแล้วก็รู้สึกว่าเฉยเฉยก็ทําได้จะได้บุญไหมคะได้ก็เฉยเฉยก็เป็นบุญทนะั้งนไม่ทุกข์ก็ถือว่าเป็นบุญนะไม่หิวไม่อยากก็เป็นบุญนะคาถามฝากถามจากหน้ากุติอีกหนึ่งท่านค่ะกรณีกําลังทรัพย์เราไม่พอจะซื้อของใหม่แต่เราซื้อของมือสองสภาพใหม่การใช้งานได้ปกติ จะได้อ น, นิสงฆ์เช่นไหรเจ้าคะ่ะแต่เรามีความตั้งใจที่จะซื้อแต่กําลังทรัพย์ไม่พอเจ้าค่ะซื้อให้ใครให้ตัวเองเลยให้คนนื่ไม่ได้ระบุ ค, คะ่ะแต่คิดว่าอาจจะซื้อสองสภาพใหม่ถวายพระประมาณนี้ค่ะโดยปกติเวลาเราให้ของใครเราอยากจะให้ของที่ดีงั้นซื้อของที่ดีของใหม่ยจงดีกว่าอย่าให้ของเก่าไปของเก่ามันของที่เราจะโลดทิ้งมันมันจะไม่ได้บุญเทา่าการให้ของใหม่เพราะการให้ของใหม่ต้องเสียเยอะกว่า ยิ่งเสียมากยิ่งได้บุญมากเสียน้อยได้บุญน้อยคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k คุณชวานค่ะมีสามคำถามข้อที่หนึ่งการเจริญสติเพื่อทำสมถาภาวนาโดยใช้กายค ก, กายคตาสติระหว่างวันจะเป็นต้องทำอีเรียบทร่างกายให้ช้า หรือไม่ครับเช่นก้าวช้าๆโดยกำหนดสติตามก้าวเดินช้าๆนั้นหรือให้ร่างกายดำเนินไปตามปกติธรรมชาติหรือทำอย่างไรก็ได้แต่ต้องให้สติตามทันทีก็ปกติเราใช้ชีวิตอย่างไรเราก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นไปเพียงแต่ว่าให้เรามีสติคอยกำกับดูเหมือนท่านเองข้อที่2ค่ะ จากคำถามข้อที่1 ห, หากเจริญสติทางการภาวนาพุโทโธหรือกายาคตาสติยังได้ไม่ต่อเนื่องแสดงว่าสติยังไม่แข็งแรงใข่ใช่หรือไม่ครับเราก็พยายามฝึกต่อไปใช่ไหมครับแล้วช่วงที่สติหลุดฟุ้งไปเรารู้ตัวก็เอากลับมากำหนดสติต่อโดยพยายามจับสติไม่ให้ฟุง้งแบบนี้คือการฝึกที่ถูกต้องไหมครับปัจจุบันผมฝึกแบบนี้อยู่ครับถูกต้อง แล้วก็คนที่จะใช้เวลานั่งบ้างจะได้รู้ว่าสติเราได้ได้มากน้อยเท่าไหร่แล้วคำถามข้อสุดท้ายของท่านนี้ค่ะวัตถุประสงค์หลักของการฝึกสติคือการกำหนดให้จิตอยู่ในกายไม่ส่งออกนอกใช่ไหมครับไม่ให้คิดถึงเรื่องอื่นให้ให้รู้อยู่กับเรื่องกายเพียงอย่างเดียวคำถามจากทางยูทู e ค่ะคุณวิวัฒ หลังจากปฏิบัติมาได้ปีกว่าๆหัวใจจะเสียวแป๊บๆเมื่อได้ยินเสียงลูกและเมียเรียกความรู้สึก ค, คล้ายๆกับว่าเราจะห่างออกจากพวกเขาไปเรื่อยๆครับยังอยู่ในทางใหมครับก็ยังมีความรักยังความหงอ ย, ยอยู่ยังตัดไม่ขาดถ้าไม่รู้สึกอะไรก็แสดงว่าตัดขาดคำถามจากคุณกำปั้นค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ผมมีความสงสัยดังนี้ครับ ข้อหนึ่งในเมื่อจิตกับกายเป็นสิ่งที่แยกกันในขณะที่กายถูกวางยาสลบขณะผ่าตัดหรือเมื่อเรานอนหลับจิตอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ที่เดิมเพียงแต่ไม่มีการติดต่อกันเหมือนโทรศัพท์มือถือสองเครื่องพอเครื่องหนึ่งปิดอีกเครื่องหนึ่งก็ไม่สามารถโทรเข้าเข้าเครื่องนั้นได้จิตก็เป็นโทรมือถือเครื่องหนึ่งร่างกายก็เป็นโทรมือถืออีกเครื่องนึงเวลาร่างกายนอนหลับก็เหมือนปิดมือถือเครื่องนี้ไป จิตที่คอยติดต่อก็ไม่สามารถติดต่อกับร่างกายได้จิตก็อยู่ที่เดิมจิตไม่มีสถานที่เหมือนร่างกายจิตเป็นความว่างไม่ต้องมีสถานที่อยู่ในโลกทิพย์คำถามข้อที่สองค่ะ ผมเคยได้ยินมาว่าพระผู้ปฏิบัติที่มีดวงตาเห็นธรรมหรือคนที่เข้าถึงสภาวะธรรมจะสามารถแยกจิตออกจากกายได้จิตจะสามารถรู้เห็นในขณะที่กายหลับหรือกายสลบได้จริงแท้อย่างไรครับอันนี้ต้องพิสูจนออ์เรงดีกว่าพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องทาเองปฏิบัติไปเรื่อยๆศีล ส, สมาธิปัญญาแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆปรากฏให้เราเห็นเองคาถามจากคุณวัฒนาค่ะ ขณะนั่งดูลมปลายจมูกจะลมละเอียดลมว่างอึดอัดลมหายใจหายไปรู้สึกสงบลึกเข้าไปเหมือนตกจากที่สูงสงบได้ขณะหนึ่งใจนิ่งเบาขอพระอาจารย์ชี้แนะเจ้าค่ะก็ทำต่อไปทำให้มากขึ้นทำให้บ่อยขึ้นคำถามจากคุณชวนชมค่ะข้อที่หนึ่งพ่อแม่เป็นพระอาหารหันต์ของลูกเทียบกับพระอรียเจ้าขั้นไหนคะก็พระอาหารหันต์เนี่ย มีพระคุณมากในบรรดาคนที่มีพระคุณกับเราเนี่ยไม่มีใครมีพระคุณมากเท่ากับแม่ก็เหมือนกับพาระอาหารที่มีพระคุณกับเราทางด้านจิตใจเม็นขั้นสูงสุดพาระอาหารหรือพระพุทธเจ้าข้อที่สองค่ะกรรมฐานหมอบกับหมอนมีไหมคะมอนก็นอนเลย <c oughs> ข้อที่สามค่ะอารมณ์เป็นธรรมไหมคะ อารมณ์ก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งธรรมนี้หมายความทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นธรรมหมดเช่นร่างกายก็เป็นธรรมเวทนาก็เป็นธรรมอารมณ์ก็เป็นธรรมของล่านี้ล้วนเป็นไตรลักษณ์เท้งนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พิจารณาธรรมสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคำถามจากคุณชาตรีค่ะข้อแรกการระลึกรูก้การรับรู้หรือนิ่งรู้แตกต่างกันไหมครับ มันเป็นคําพูดนะมู้จะอธิบายยังไงก็ขอให้รู้ก็แล้วกันจะเน่งรู้รับรู้มันก็แบบเดียวกันนะคือให้รู้อยู่กับสิ่งที่เรากําหนดไว้อย่าไปคิดเรื่องเลยคําถามข้อที่สองค่ะจิตสํานึกจิตใต้สํานึกจิตเหนือสํานึกสามารถอธิบายในทางพระพุทธศาสนาได้ไหมครับมันจำเป็นจะต้องรู้หนระให้รู้ให้มีสติอย่างเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวก็จะรู้เอง คำถามจากคุณทอปค่ะตอนนั่งภาวนาใช้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแต่ตอนเจริญสติระหว่างวันบางครั้งใช้พุทธโทพุทธโทไปเลยไปตามลมปฏิบัติถูกไหมครับได้ใช้ได้ตามได้ที่เราสามารถยับยั้งความคิดได้ก็ใช้ได้คำถามจากคุณสิรินทร์ซั์ค่ะ กลับขอความเมตตาพระอาจารย์มีคนเกินเงินหนูไปหนูรู้ว่ากำลังทุกข์เพราะความโกรธของเราเองแต่จะให้โอโหสิคนโกงก็ทำไม่ไหวคะ่ะใจไม่ปล่อยไม่วางเลยขอพระอาจารย์แนะนําให้เริ่มต้นตรงไหนก่อนจะโอโหสิต่อกันได้โอเคว่าใช้เร่เก่าไปก็แล้วกันชาติก่อนแล้วอาจจะขมโมยเขามาชาตินี้เขาเลยมาขอ ข, อขมโมยเกินไป คำถามจากคุณการเวลาค่ะเวลาเดินจงกลมใช้พุโทโธบริกรรมได้ไหมครับได้ไดคำถามจากคุณระดาค่ะนั่งแล้วสวา่างเบาตัวอยู่เฉยๆต้องทำยังไงก็รักษามันไว้ให้นานๆให้มันนิ่งนานๆคำถามจากทางเฟ e บุ o k คุณพุทธิพัฒนค่ะ นั่งสมาธิแล้วจิตไปพิจารณากายภายนอกแล้วพิจารณาลงไปใต้ผิวหนังอวัยวะกระดูกแล้ววนกลับมาภายนอกใหม่แล้วจิตเกิดความกลัวจะต้องกลับมาที่พุทโธแทนความกลัวที่เกิดขึ้นเกิดจากจิตปรุงแตง่งแต่ยังหาทางปล่อยวางไม่ได้ควรจะพิจารณาต่อหรือตั้งอยู่แค่พุทโธแทนครับจิตยังไม่สงบพอยังอุเบกหายังไม่มี ต้องฝึกเสเปะนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นสมาธิก่อนให้มีโอเบกขาก่อนถ้ามีโอเบกขาแล้วเวลาพิจารณาอะไรก็จะไม่กลัวดคำถามจากคุณจรัญยาค่ะใจเราเป็นภพที่เราอยู่จริงไหมคะไม่ใช่โลกนี้ใช่ไหมคะคือเราอาจจะโกรธก็ไปอยู่ในโลกของนางยักษ์เราอาจจะเพลินก็อาจไปอยู่แดนสวรรค์ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเราไม่ปรุงแต่งเราเฉยๆว่างๆถูกต้องไหมคะเหมือนมันก็ไม่ทุกนะเจ้าคะก็มันก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราทําบุญมันก็ทําให้จิตเราสงบมีความสุขแล้วก็เรียกว่าสวรรค์ทําบาปก็ทําให้จิตเราทุกข์จิตเราร้อนมันก็เรียกว่าอบายภพต่างๆมันเป็นสภาวะของจิตแต่ละแต่ละระดับมีสามสิบเอ็ดภพด้วยกันสามสิบเอระดับ ที่จิตใจเราสามารถขึ้นขึ้นลงลงได้ตามหน้าของบุญของบาป ท, ที่เราได้ทําไว้หมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะมีใครอยากจะถามอีกไหมขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยะเพราะเดี๋ยวถ้าเราเลิกแล้วก็ต้องขออภัยเพราะจะมีกิจกรรมอย่างอื่นต้องทนะําำถ้าไม่มีก็เอาท่านนี้ก่อนสําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านทรงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติ